ในชาวันนี้ก็ขอให้พระภิกษุ ส, ษสงฆ์สมเน็นแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อดีจะได้เจริญภาวนาจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะได้ สร้างบุญและกุศลให้กับตัวเราเองก็ผ่านมาหลายวันแล้วผ่านมาหลายลาตีแล้วในการที่เราได้บวชเข้ามาเป็นพระเราได้เป็นแม่ชีได้เป็นอุบาสกอุบาสิกา ตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาในเบื้องต้นนั่นคือความปรารถนาของแต่ละคนความปรารถนาที่อยากจะเป็นพระอยากจะเป็นชีอยากจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาความปรารถนาในเบื้องต้นเราก็สําเร็จไปเพราะเราได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นแล้ว แต่ความปรารถนาที่อยู่ในเบื้องกลางเบื้องกลางก็คือการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติของเราเองเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะทำเช่นไรเราจะพิจารณาด้วยการใช้สติหรือไม่ในการปฏิบัติของตัวเราเอง ก็ค่อยๆนั่งพิจารณาไปค่อยๆใช้สติใช้ปัญญาเพ่งพินิษ์ในการกระทาของตัวเราเองพิจารณาด้วยเหตุพิจารณาด้วยปัจจัยพิจารณา ในขณะนี้เนี่ยเรากําลังทําอะไรเรากําลังทําหน้าที่หน้าที่ที่เป็นธุระที่จะต้องทําให้กับตัวเราเองและก็ทําให้กับบุคคลอื่นทุกคนต่างมีหน้าที่ หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการทำงานสิ่งใดก็แล้วแวก็แล้วแต่ถ้าเราทำการสิ่งใดเนี่ยเราไม่มีความรับผิดชอบก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ละเลยในหน้าที่หน้าที่ของความเป็นพระหน้าที่ของเมชี จะต้องทำอะไรหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาจะต้องทำอะไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหน้าที่ของชาวพุทธชาวพุทธจะต้องทำอะไรทุกคนต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปต่างมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป แต่ผู้ประพฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่เราจะรับผิดชอบกับตัวเราเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเรามีหน้าที่ของเราแล้วแต่เราไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่เรายังทำหน้าที่ของเราได้ไม่ดีเรายังมีความบกพร่องในหน้าที่ของเราอยู่ ถามไปที่ใจตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นหรือยังหรือเรายังบกพร่องในหน้าที่ของตัวเองอยู่ยังไม่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองจะต้องทำอะไรยังมัวเที่ยวถามคนนั้นมัวเที่ยวถามคนนี้อยู่ว่ามีอะไรให้ทำบ้าง จะ ต, ต้องทำอะไรบ้างในวันนี้คนที่มัวแต่คอยถามคนอื่นแสดงว่ายังไม่รู้หน้าที่อย่างแท้จริงทําไมถึงบอกอย่างนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาเนี่ยพระก็ต้องมีหน้าที่ไปบินทบาท พระก็ต้องมีหน้าที่สวดมนต์ทาวัดมีหน้าที่ที่จะต้องฉันข้าวตอนเช้ามีหน้าที่ที่ต้องกวาดเสนาสนะลานเจดีย์มีหน้าที่ที่จะต้องทำวัดเย็นนี่ก็เป็นกิจเป็นหน้าที่ที่พระต้องทำเป็นหน้าที่ที่พระต้องรับผิดชอบในเบื้องกลาง ยังไม่ถึงปลายทางในระหว่างที่สุดหน้าที่เจรกวันเนี่ยเราก็จะต้องทำทำเพื่อที่จะให้การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยดำเนินต่อไปได้ถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่พิจารณาเลย เราไม่รู้เลยแล้วเราจะเข้าใจตัวเราเองได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งก็คือภาระภาระที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบทุกคนจะต้องแบกไว้ภาระคือสิ่งที่หนักคือสิ่งที่ต้องแบกคือสิ่งที่ต้องหามคือสิ่งที่ต้องยกเรียกว่าภาระ แต่เราพิจารณาไปถึงกายของเราพิจารณาไปถึงใจของเราว่ามีภาระอะไรบ้างที่เรากำลังแบกอยู่การที่เราแบกสังขารเราทุกวันเนี่ยก็เป็นภาระให้กับตัวเองเราแบกมันทุกวันเราไม่รู้จะแบกมันไปไหนไม่รู้จะแบกหามมันไปทำอะไรสังขารร่างกายเรานี้ เราพยายามประคับประคองมันทุกวันพยายามดูแลมันทุกวันไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันสบายทำไมเราถึงมีความเอาใจใส่ในสังขารเราจังเลยก็ลองพิจารณาไปเราแบกสังขารเรามาทั้งชีวิตเนี่ยเราแบกอะไร แบกเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันในแต่ละวันไปแต่เราไม่ได้รู้เลยเราไม่ได้พิจารณาเลยว่าทั้งการของเรานั้นที่เราแบกมาทั้งชีวิตเนี่ยเราแบกอะไรไว้เราแบกความทุกข์ เราแบกความสุขเราแบกความเสียใจเราแบกความน้อยใจเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นภาระให้กับตัวเราเองเราแบกบ้านมาทั้งหลังเราแบกที่ดินมาทั้งผืนแบกหนี้มาไม่รู้เท่าไหร่นี่เลอคือสิ่งที่เราแบกมาทั้งชีวิตที่มันเป็นภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบ มีบ้านก็ต้องดูแลบ้านมีรถก็ต้องดูแลรถมีที่ก็ต้องดูแลที่มีพ่อแม่ก็ต้องดูแลพ่อแม่มีลูกก็ต้องดูแลลูกมีญาติพี่น้องก็ต้องดูแลญาติพี่น้องนี่คือภาระภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบกับภาระเหล่านี้เนี่ย กระทั่งกายของเราสังขารของเรายังเป็นภาระให้กับตัวเราเองเลยแล้วเราลองพิจารณาดูว่าสังขารเรากายเราเนี่ยเราได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่าเราแบกสังขารเรามานานแค่ไหนแล้วเราแบกสิ่งสมมุติอยู่ตลอดทั้งชีวิต เราก็สมมุติว่าสังขารนี่มันเป็นของเรากายนี้มันเป็นของเราเราสมมุติเอาว่าเป็นเราว่าเป็นเขาเราสมมุติเอากายเนี่ยเรายืมเข้ามาทั้งชีวิตของเราเลยธาตุดินเราก็ยืมมาธาตุน้ําเราก็ยืมมาธาตุลมเราก็ยืมมา ธาตุไฟเราก็ยืมเขามาใช้ทั้งนั้นเราลองพิจารณาว่ามีอะไรเป็นของเราบ้างถ้าอะไรที่เป็นของเราเนี่ยเราจะต้องจับต้องได้แม้กระทั่งลมหายใจในขนาดนี้ก็ไม่ใช่ของเราเลยเพราะเรายังจับต้องมันไม่ได้เลยลมหายใจเข้าก็ยังจับไม่ได้ลมหายใจออกก็ยังจับไม่ได้เลย แล้วมันจะเป็นของเราได้อย่างไรทั้งทั้งที่มันอยู่กับกายเราแท้แทแต่ทำไมเราจับมันไม่ได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันทั้งทั้งที่มันอยู่กับเราแท้แทเลยแต่ทำไมเราจับมันไม่ได้สักทีทำไมเราตามมันไม่ทันสักทีมันเป็นเพราะเหตุอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราหยิบยืมเขามาใช้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราไม่สามารถสัมผัสได้และจับต้องได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งสมมุติธาตุทั้งสี่เนี่ยที่เรายืมมาใช้ไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุดินก็คือกระดูกเนี่ยพิจารณาไป กระดูกในร่างกายของเราเนี่ยทั้งร่างกายเนี่ยทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกระโหลกไม่ว่าจะเป็นกระดูกแขนกระดูกขาซี่โครงชายโครงก็เราลองพิจารณาว่าเราจับต้องได้ไหมเราแค่มีความรู้สึกว่าเราจับต้องได้ จับต้องได้แค่ภายนอกแต่เราก็ไม่ได้จับต้องสิ่งที่เป็นจริงได้เลยเพราะมันอยู่ใต้ภายใต้เนื้อภายใต้หนังที่ห่อหุ้มไว้อีกทีหนึ่งแล้วเราจะสัมผัสให้ถึงกระดูกได้อย่างไรเราก็สัมผัสไม่ได้เพราะเป็นธาตุที่มารวมตัวกันเป็นธาตุดินมารวมตัวกัน ให้เรามีความแข็งแรงให้เราได้มีโครงสร้างเพื่อที่จะให้ความสมดุลกับร่างกายของมนุษย์แค่นั้นเองก็พิจารณาไปต่อว่าธาตุน้ำเนี่ยทั้งน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำดีน้ำเสียเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้น เราจับต้องอะไรได้บ้างเราก็จับต้องอะไรไม่ได้เลยเราก็พิจารณาไปสิ่งที่เราคิดว่าเราจะจับต้องได้เนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นน้ำใจแต่มันก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองเราเป็นสิ่งที่เราวงแต่งขึ้นมาเอง โดยที่ไม่ได้พิจารณาว่าเรายืมเขามาใช้ยืมเขามาใช้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาคืนไปกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดธาตุลมก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกเนี่ยว่าทำไมเราถึงจับต้องไม่ได้มันเป็นเพราะอะไร จริงคนเราเนี่ยพิจารณาตัวเองได้เนี่ยก็จะรู้ว่าเราหายใจเข้าออกทั้งวันเราหายใจเข้าออกอยู่ทุกวันอยู่แล้วหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตไปวันหนึง่งวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยรู้แต่เราจับต้องมันไม่ได้การจับต้องก็หมายถึงการฝึกฝึกเพื่อให้มีสติ ฝึกเพื่อให้รู้ว่าลมเข้าตอนไหนลมออกตอนไหนเราสัมผัสได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปลายจมูกเราหรือเปล่าเราจับต้องได้ไหมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยลมเข้ากี่ครั้งลมออกกี่ครั้งเราก็จับต้องไม่ได้เราก็สัมผัสไม่ได้ก็เช่นเช่นเดียวกับใจของเราก็เช่นเดียวกัน มีใครมานั่งนับว่างว่าใจตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันเต้นกี่ครั้งต่อวันเพราะเราไม่ได้จับเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพราะเราไม่ได้สัมผัสให้ถึงความเป็นจริงใจของคนเราเนี่ยเต้นวันละแสนครั้งต่อวันเนี่ยใครจะบ้ามานั่งนับ วันหนึ่งมันเต้นเป็นแสนครั้งเนี่ยใครบ้าจะมานั่งนับการเต้นของหัวใจตัวเองอยู่ใครมันจะสัมผัสได้ใครมันจะมองเห็นความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยมองเห็นไม่ยากแต่ในการมองเนี่ยมันยากกว่ามันยากกว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีมอง เราไม่รู้จักวิธีที่จะพินิษพิจารณาสัมผัสในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเราจึงมองไม่เห็นธาตุไฟก็เช่นเดียวกันที่มันให้ความร้อนให้ความอบอุ่นภายในร่างกายเราเนี่ยทำให้อารมณ์เย็นบ้างทำให้อารมณ์โกรธ อารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาทําให้กายเรามันร้อนทําให้ใจเรามันร้อนแม้กระทั่งลมที่ออกมาจากปากมันก็ร้อนในขณะที่ลมโมโหลมมันก็เย็นไปไม่ได้ก็พอลองพิจารณาว่าถ้าทั้งสี่ที่เราหลงนักหลงหนาที่เราหลงอยู่ทุกวันเนี่ยหลงตัวหลงตนหลงกายตัวเองเนี่ย มันน่ากลัวหลงอย่างอื่นเนี่ยยังพอแก้ไขได้ยังพอหาทางที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าหลงกายตัวเองหลงตัวหลงตนตัวเองเนี่ยปฏิบัติก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่สิ่งที่เราปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็ยึดติดอยู่ว่าวันนี้เราปฏิบัติแล้ว เราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้วันนี้เราปฏัปฏิบัติแล้วเรามองเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้เราก็ยึดติดในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราลองพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่สิ่งที่เป็นภาระของเราเนี่ยมันคืออะไรเราแบกชีวิตเรามาทั้งชีวิตแล้ว เราอย่าเสียเวลาที่จะดำเนินชีวิตเราต่อให้ไปถึงบัน้นปลายต้นทางเราก็รู้แล้วท่ามกลางระหว่างทางเราก็รู้แล้ ว, วเหลืออย่างเดียวคือปลายทางปลายทางที่เราจะทำปลายทางที่เราจะเดินไป ด้วยสติปัญญาของเราเองถ้าเราไม่ใช้สติคอยนำทางให้เราได้เดินไปเนี่ยเราเดินไปไม่ถูกแน่นอนเราเดินไปไม่ถึงแน่นอนเพราะเราไม่รู้เลยเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ในขนาดนี้มันจะมีอุปสรรคใดๆที่จะให้เราไปถึงปลายทางของเราได้ อาจจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางเราไม่สามารถเดินทางไปถึงปลายทางได้อาจจะเกิดเหตุเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในขณะที่เรากำลังเดินไปปลายทางเราอาจจะไปไม่ถึงปลายทางก็ได้ปลายทางเนี่ยก็อยู่แค่เอื้อมเองมันไม่ไกลไม่ได้ไกลจากเราเลยไม่ได้ห่างจากเราเลย ปลายทางของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติที่ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นความเป็นจริงโดยธรรมชาตินั่นคือปลายทางที่เราจะต้องไปสัมผัสต้องไปให้ถึงถ้าเรายังไปไม่ถึงเหตุไปไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเป็นจริงโดยธรรมชาติเนี่ย oh. เราจะไปถึงปลายทางได้อย่างไรเราก็ไม่รู้เลยเราเดินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวมันก็สว่าง oh. ก็เปรียบเสมือนวันหนึ่งวันเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็สว่างพอตกเย็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมืดลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรามองเห็นการเกิดดับอย่างแท้จริงหรือไม่ มองเห็นการเกิดดับของตัวเองหรือไม่ในขณะที่เราทำสมาธิมองเห็นความเกิดดับของใจตัวเองหรือเปล่าวันในขณะนี้เนี่ยใจเรากำลังคิดอะไรอยู่กำลังพิจารณาอะไรอยู่อะไรที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะดับมันยังไงสิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้น ในขณะที่เราทำสมาธิก็ค่อยๆพิจารณาพิจารณาให้เห็นในหน้าที่พิจารณาให้เห็นในภาระที่เราจะต้องทาที่เราจะต้องรับผิดชอบเราพยายามที่จะแบกกายที่จะแบกสังขารเราเนี่ยที่เป็นภาระของตัวเอง เพื่อที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองมากขึ้นแต่เราไม่กลับสนใจใส่ใจตัวเองแต่เรามัวไปแบกผู้อื่นไปหามผู้อื่นอยู่เรากำลังแบกภาระของผู้อื่นอยู่เราก็ต้องพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ละเอียดให้ทงแท้ ให้รู้ความเป็นไปโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกขณะเท่านั้นเองก็เช้านี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้พระพิสุสงได้เก็บไปคิดพิจารณาให้เมชีอุบาสกอุบาสิกาได้เก็บไปคิดและก็พิจารณา พิจารณาเพื่อต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นหนทางในการเดินทางของเราให้ไปถึงปลายทางของเราอย่างดีงามก็าฝากไว้ก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำเพราะความพระพิสุส่งอีกครั้งหนึ่งนิมนต์ครับ